น, นพะพ่อเขา้าพรรษาก็บายความว่าพระท่านจะอยู่จำพรษาสามเดือนบางคนก็งดเหล้าเขา้าพรรษาสามเดือนบางคนกางกบุหรี่สามเดือนนะหรือว่าทําบุญใส่บาทตลอดสามเดือนถือศีลห้าสามเดือนถือศีลแปในวันพระในวันเสาร์อาทิตย์นะหรือว่า ในสามเดือนนี้เราจะละความโลภโกรธหลงพระชาก็สอนว่าเอากระป๋องมาหนึ่งกระป๋องถ้ามีความโกรธขึ้นครั้งหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านก็เอาก้อนหินมาใส่ไว้หนึ่งก้อนนะพอสามเดือนก็มารับดูว่าในปีนี้ภาษานี้เราโกรธไปกี่ครั้งนั่นก็บอกบายให้นองมานับเราลองลองดูก็ได้เอาก้อนกวดก้อนหินมาขะกองหนึ่ง ออโกดข้างหนึ่งก็ใส่ไปก้อนนึงกดข้างหนึ่งก็ใส่ไปก้อนก้อนนึงเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะที่คําว่าอุรุนิแปลว่าทรายนะอุลุแปลว่าทรายในออฝั่งแม่น้ําในรันชาลาจะมีทรายมากก็มีฤาษีบําเพรนปฏิบัติกันฤาษีบํามเพรนถ้าฤาษีนี้มีกิเลสเกิดขึ้นเขาก็จะไปก่อกองทรายไว้กองเป็น ให้ระลึกไว้ว่าเรามีกิเลสเกิดแล้วนะองค์ใดองค์ไหนกิเลสเกิดก็ก่อไว้เพียนแ้่กองทรายกับมากละลิมฝั่งแว่น้าเนรัญชาลาให้พวกเราก็จะเอาก้อนหินมากระด็ใส่ไปใส่ไปก็คิดไปโอ้มันมาเยอะไปเยอะไปน้ อ, อความโกรธมันเยอะมันเยอะอย่างงี้เราก็จะได้ละความโกรธเห็นโทษของความโกรธ ว่าความโกรธนี่มันมีโทษมากทีเดียวโกรธขึ้นแล้วมันจะเผาผานจิตใจของเราเผาผานข้างนอกได้ความโกรธเนี่ยว่าผู้ที่โกรธนี้ก็เรียกว่าเป็นโทสะเนี่ยผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีเนี่ยผู้ที่จะจับจิตจับใจของเราเนี่ยมันโทสะไม่มีโทสะเนี่ยมันจับจิตจับใจของเราแล้วมันออ ก, ออกยากนะ ฆ่ากันก็ได้โกรธกันก็ได้พยาบาทกันก็ได้ปองร้ากันก็ได้ผิดใจกัน น, กนิดหน่อยขับรถเกี่ยวกันนิดหน่อยก็ยิงกันเลยก็ได้ฆ่าฟันกันก็ได้และคำพูดนิดเดียวถ้าเกิดมัน เ, เกิดโทสะนะเพราะฉะนั้นก็เราต้องระวังว่าในภาษานี้เราเกิดขึ้นมาก็มีทุกคนมีโทสะมีโลภะมีโมหะในภาษานี้เราจะละโลภะโทสะโมหะโดยเริ่มต้นเราก็มาถวายเทียน เนะีข้ารรษาถวา ย, ยเทียนเพื่อจะจุดบูชาพระพุทธเจ้านะจุดบูชาพระธรรมพระสงฆนะ์ในสมัยก่อนก็เราว่ายังไม่มีไฟก็ต้องใช้ไฟนี่นะศึกษาพระธรรมคําสอนกันในรรษานะนี่เราก็ยังรักษาประเพณีไว้ว่านะเพราะเป็นของธรรมชาติว่าเมื่อเราถวายเทียนแล้วจะสว่างสวัยหรือเปรียบเทียบมันกับปัญญานะปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะสว่างสวัย ถ้าเกิดว่าไม่มีแสงสว่างเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยนะมองอะไรไม่เห็นแล้วพาพระอาทิตอาทิตย์นี้เป็นแสงสว่างที่ส่องไปยั่โลกก็ทำให้เรามองเห็นได้หมดนะแสงเทียนส่องสว่างในเวลากลางคืนหรือแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเราก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายได้คนมีปัญญาก็พิจารณาว่าเออใจของเรานี้มันสว่างหรือ ย, ยังนะใจของเราเนี่ยมันไม่สว่างมันมืด เมื่ใจของเรามันมืดแล้วนะเราจะทํำยังไงให้ใจของเราสว่างเหมือนกับแสงเทียนที่สว่างข้างนอกก็ทําให้เรามองเห็นได้เดินทางไปไหนเมื่อมีแสงสว่างเราก็เดินทางไปได้โดยสะดวกใจของเรานี้กําลังเดินทางอยู่ในวัฏฏะสงสารนะเราเดินทางอยู่ในวัฏฏะสงสารนะเรามาเกิดนะครับมา แ, ก, แก่มาเจ็บแล้วก็มาตายนแหละใจตรงนี้ก็เดินทางต่อไป แต่ร่างกายนี้ก็ต้องเอาทิ้งเอาไว้ในโลกนี่เห็นไหมคนที่เกิดมาในโลกมีใครเอาร่างกายนี้ไปได้บ้างไม่มีใครเอาไปได้เลยไม่มีใครเอาขันห้าเนี่ยเอาไปได้ก็ต้องทิ้งเอาไว้นะในโลกนี้เกือดวงจิตเนี่ยที่จะต้องไปเกิดใหม่ตามกรรมเมื่อมีกรรมก็ไปเกิดใหม่นะมีกรรมมีวิบากของกรรมก็จะพาดวงจิตดวงนี้ไปเกิดอีกนะ ไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีนั้นก็แล้วแต่กรรมที่จะส่งผลขึ้นมานะเมื่อพวกเราเป็นชาวพุทธก็เชื่อมั่นในคำสอนของพุทธเจ้าละเรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นนะเราก็เริ่มต้นกันว่าเราเกิดขึ้นมาเรามาจากความเมื่อสังคมคนเกิดขึ้นมาไม่มีความเชื่อเริ่มสาสในพุทธศาสนาเลยแต่บ้านปลายชีวิตก็มีความเรื่มใสเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมมาถวายเทียน บอกว่าผมไม่เคยมีความสนใจในพระพุทธศาสนามาก่อนเลยแต่เมื่อมาถึงในชีวิตขณะ น, นี้เป็นชีวิตที่วบ้านปลายชีวิตแล้วก็มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาสนใจในการให้ทานสนใจในการสมบัติฐานศีลสนใจในการสร้างนะคุณงามความดีนะเริ่มสนใจเข้ามาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเพื่อจะทําให้ใจสว่างไป พอคิดแล้วว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเหมือนกับเทียนที่เราตั้งที่จะบวชูชาถวายพระนี่แหละนะเมื่อเทียนนี้ถูกจุดไปแล้วเทียนก็จะค่อยๆละลายไปละลายไปเมื่อมีไส้มีอากาศนะมีตัวเทียนอยู่นี่นก็จะค่อยๆละลายไปละลายไปเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นแหละในที่สุดมันกระดับไปชีวิตของเราเมื่อเริ่มต้นเกิดขึ้นมาแล้วนะเมื่อเราทําว่าเราอายุสักแปดปี นะเป็นเทียนแห่งชีวิตเราอายุ80ปีเทียนนี้มีอายุ80ปีตอนนี้เทียนชีวิตของเราเนี่ยสว่างไปแล้วกี่ปีแล้วจะเหลืออีกกี่ปีที่จะดับแล้วที่ยังจะสว่างอยู่เนี่ยนะมันกรลบปรีลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความสว่างมันน้อยลงมันโดนลมมากๆ ม, มีอะไรเข้ามานะ ที่จะทำให้เทียนของเราดับง่ายๆมันก็มีคือนได้ทางนั้นนะ่ะมันไม่แน่ใจเมื่อกันว่าเราจะไปได้ถึงนะ80ปีหรือเปล่าเออถ้าใครมีอายุถึง80ปีก็นับว่าเป็นบุญก็คือมีอายุไขตามอายุไขถ้านับว่าปัจจุบนันนี้นะคนอายุไขนะก็ประมาณเท่าไหร่นะเวลาผ่านไปแล้ว 2,550 ปีเนี่ยผ่านไปแล้ว อายุไขของคนเราเนี่หมดไปแล้ว25ปีคงเหลือปัจจุบันนี้ถ้าคนอายุ75ปีก็ถือว่าบุคคลนั้นมีอายุตามอายุไขอายุยืนถ้าเกิน75ปีก็ถือว่าเป็นกำไรไปนะเป็นกำไรแล้วอายุยืนเกิน75ปีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นนพวกเราเนี่ยมีชีวิตมาถึงตอนนี้เรามีอายุเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เราวันนี้เนะ่เราอยู่มา กี่ปีกี่เดือนกี่วันให้เรานับแล้วเรายังจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วัน้ถ้าพูดถึงความไม่แน่นอนแล้วมันไม่แน่นอนอะไรทั้งนั้นที่ชีวิตเราจะเหลืออย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตของเราเหลือประมาณนั้นแต่ว่าจะไปถึงอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนี่นแหละนะเราก็ต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตาย นะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็ควรที่จะพิจินิพพิ จ, จรารณาในความตายของเราไว้ว่าปีนี้ก็เป็นปีทีงซึ่งเราก็ยังโชคดีโชคดีว่ายังมีชีวิตยอยูนะ่มาถึงปีนี้ได้ปีที่แล้วเราก็ร่วมกันมาถวายเทียนก้าวัดนะปีนี้เราก็มาร่วมกันถวายอีกเราก็เป็นผู้โชคดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องไม่ประมาทพยายามสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะว่าการที่เราจะต้องมาพัฒนาจิตของเรานี้ให้มีความสว่างสวัยอยู่เสมอจิตจะมีความสว่างสวัยอยู่เสมอเนี่ยนะก็ต้องละความโลภละความโกรธนะแล้วก็ละความหลงนั่นเองนะจิตถึงจะมีความสว่างสวัยนะสว่างมาแล้วก็สว่างไปหรือมืดมาแล้วก็มืด ไปเนี่ยมันก็เสียผลประโยชน์อย่างมากทีเดียวมื่อมาแล้วต้องพยายามให้สว่างไปออสว่างมาแล้วก็ต้องสว่างไปมื่มาแล้วก็ต้องสว่างไปนะพยายามทำจิตของเราให้อยู่ในคุณงามความดีคือการให้ทานธรรมทานศีลฟังทำปฏิบัติธรรมะเพาพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็แตกต่างกันไปด้วยอํานาจของกรรมกรรมนี้ผลเราก็มีความสุขถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่าง บางคนก็ประมาทไปประมาทไปก็ไม่ได้สร้างความดีต่อเมื่อบุญนั้นหมดแล้วเป็นยังไงนะบุญนั้นหมดแล้วเออถ้าบาปให้ผลก็อันตรายทีเดียวนะเช่นว่าแม่พ่อแม่นะโดยเฉพาะยมพ่ อ, พ, อพ่อของนางวิสาขาพ่อของสามีของนางวิสาขาหมหาวสิกาเห็นไหมไม่ทำบุญกับพุทธเจ้ากับพศาสนาแต่นางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันเออแต่งงาน กับสามีก็มีฐานะเท่าเทียมกันแต่ว่าพ่อสามีไม่ศรัท ธ, ธาในพระทศาสนาศรัท ธ, ธาในศาสนาอื่นเสร็จแล้วเดรัถยนางวิสาขานี่อยากจะทำบุญใส่บาตรก็ทําไม่ได้เพราะมาอยู่ในเรือนของพ่อสามีเอเมื่อพระเจ้าประสงค์มาแล้วนางจึงว่านิมนต์ไปปวดข้างหน้าก่อนว่าอย่างนั้นนะนิมนต์ไปปวดข้างหน้าก่อนอาทีนี้เขายังกินปุณเก่าอยู่กินของเก่าอยู่ โอ้พ่อนางพ่อสามีนั้นเกิดโมโหมากเลยเกิดโทสะมากเลยเราเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายลูกสะใภ้บอกว่าเรานี้กินของเก่าก็เลยมาสืบถามกันมาถามมาต่อว่าแต่นางวิสาขาก็อธิบายว่าไอ้ที่ของเก่านั้นไม่นใชของปฏิกูลของเก่านั้นก็คือบุญเก่าบุญเก่าที่ทามาแล้ว ก็ได้ทรัพย์สมบัติอันเป็นมหาเศรษฐีในชาตินี้พระนางวิสาขานี่เป็นมัทสโธดาบันแต่ยุคแค่เพียงจิตขวบไนงะนางปัถนาอปปตาพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ปารถนาเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์เท่านั้นเองจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเทวดาเป็นมนุษย์จนกว่านางเนี่ยเออจะสําเร็จเป็นพระนในชาติสุดท้ายในสมัยพระศระะีอริยเมตไตรณัเกิดขึ้นมากับพร้อมในความงามทั้งหมดนั่นแหละอายุงาม แม่อายุมากๆแล้วนะสมัยนี้อาจจะต้องมีการตกแต่งกันให้สวยงามแต่นางวิสาขานี่ไม่ต้องเลยเป็นบุญตกแต่งมาให้อายุมากๆมีลูกมีหลานเป็นร้อยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่งอยู่นะมองแล้วไม่รู้ว่าใครคือนางวิสาขาเพราะว่าหน้าตานะเหมือนกันหมดเลยอายุส7บเนี่นางวิสาขาก็อายุอยู่อย่างนั้นไม่แก่หน้าก็ไม่แก่ด้วย นี่ด้วยบุญที่นางได้ทำเอาไว้นะแต่ว่าเมื่อตอนลุกนะจากฟังเทพเจ้าแล้วก็เอามือเท้าพระเจ้าประเสรินิโกสนก็มีปัญญาก็รู้ว่าโอ้คนนี้นั้เองนางวิสาขาเพราะว่ากำลังนะั่นมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนี่นางก็แล้วมีบุญมาถึงพร้อมแล้วนะเป็นเปนจะกรยียนีนะมีความงามทั้ง5้ามีไวงามมีผมงามมีผิวงามนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เกิดมาในตระกูลเศรษฐีด้วย มาแต่งงานในตะกุลเศรษฐีแต่พ่อสามีก็ไม่ศรัทธาแต่ต่อมานี่ยน่ะพ่อสามีก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนานะจึงให้เชิญนางวิสาขานางวิสาขานะเป็นแม่ของท่านเป็นแม่ของท่านในทางธรรมะที่ทำให้ท่านน่ะกลับมานับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเมื่อพวกเราเนี่เกิดขึ้นมาก็เป็นชาวพุทธเลื่อมใสเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาอยู่แล้วทีเดียว เมืเรามีความศรัทธามีความเรื่อมสายแล้วเราก็มีฐานการให้ตามกําลังศรัทธาของเรานะไม่เดือดร้อนมีศีลมีการภาวนาปฏิบัติไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมว่าชีวิตของเราที่มาได้ ว, วันนี้อายุยืนมาอยู่ถึงวันนี้ด้วยบุญนะบุญของเรายังส่งผลให้มาอายุยืนนะไม่ตายไปรตั้งแต่อยู่ในท้องในคันเออไม่ตายไปเสีย ตั้งแต่อยุอย่างน้อยๆนะเราก็มีอายุยืนยาวมาร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงเรียกว่ามีพละมีพลังแข็งแรงเมื่อเราเนี่ยมีพละพลังแข็งแรงกว่าเดิบุญอันิสง์ที่เราได้ทำเนะีย่ยเรียกวัยณะเออมีวันะที่สวยงามก็คือจิตใจนะที่สวยงามมีวันะที่ดีก็คือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มาได้เป็นอยู่ในวันะที่ต่ํา เกิดมาในเมือ ง, งไทยก็วันณะทิศเสมอกันเราสร้างความดีรสร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสที่จะทําได้เสมอกันได้เนี่ยว่าพร้อมด้วยอายุวันณะสุ ข, ขะภาระเราก็มีความสุขสมควรแก่ตาภาพถ้าเรารู้จักความพอดีนะเนียกว่าอย่างนี้ว่าเป็นบุญที่เราได้ทํามานางวิสาขามพระปสิกานั้นก็ถึงพร้อมบท ด, ด้วยอายุวันละสุ ข, ขะภาระนางนั้นมีภาระกําลังมากทีเดียวนะ ออมีมหารดาเนี่ยซึ่งมหาดานี้ถ้าเกิดนางถอดไปแล้วผู้ไม่มีกําลังยกไม่ขึ้นเลยต้องใช้คนจํานวนมากทั้งจะยกมหาดาที่นางสวมใส่นี้นะทังจะยกได้มีพระอน น, น์นี่มีกําลังมากยกได้มีไม่กี่คนเท่านั้นเองในเมืองสาวัตถีที่จะมีพระกําลังในนางก็ได้ทําบุญทําทานมาได้ดีมีศรัทธาแล้วก็คู่ ก, กันกับท่านอนาทะมินาักาเศรษฐี ท่านอนาณาถาวิน า, าศเศรษฐีนี่อยู่ในกรุงสา ว, วัตถีวันหนึ่งเดินทางมากรุงราชคเอมีเศรษฐีเพื่อนของท่านมาเยี่ยมเศรษฐีเพื่อนของท่านเป็นประจำที่กรุงราชคือนะแต่เศรษฐีเพื่อนของท่านนี้กําลังข้นขวายการงานที่สําคัญอยู่ไม่สนใจท่านอนาาถาวิน า, าศเศรษฐีเลยไม่สนใจเลยนะบอกว่าเอาตามสบายเลยนะเออจะพักจะทานอะไรตามสบายเลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเพื่อน ฐานะนาถาพิณิ ก, กาเศรษฐีเอเอะใจเุณหม อ, อมาเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเรา mm. เพื่อนของเราไม่เคยมีนิสัยแบบนี้เลยถ้าเรามาเยี่ยมจะดีอกดีใจพูดจปาปราศัยอย่างดีแต่วันนี้ไม่สนใจเราเลยนะเป็นพ่าะอะไรต้องสอบถามดูนะเนี่ยว่ามีปัญญาเป็นนักป่ามีปัญญาก็สอบถามดูก็ได้ความว่า องสมเด็จภระศาสดาสมมาัญญาเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเศรษฐีเพื่อนของท่านนั่นนะก็ น, นิี้มันพระพุทธเจ้าพร้อมในสาวกมาฉันพัฒหารในวันพรุ่งนี้จึงต้องจัดเตรียมสั่งงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลานะพอท่านนาณาธรรมิรการเศรษฐีได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง เ, ออเกิดปิติขนลุก้นชันเกิดปิติทั่วสารพรางกาย อิ่มอกอิ่มใจอย่างมากเลยเพราะว่ากระท่านก็อุปถาพระพุทธเจ้ามาทั้งสี่พระองค์แล้วนี่นะทั้งสมพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่สี่นะไม่ได้ยิงคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเกิดปิตินะเกิดปิติท่วมท้นในใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีนั่นก็ทําำไหนหนอเราจะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมดิสาวกเนี่ยไปที่เมืองสาวัตถีของเราบ้างเออต่อมา ก็ได้ปรึกษากับเพื่อนแล้วก็ได้ทูลรัตนานิมนต์พระเจ้าให้เสด็จไปที่เมืองสาวัตถีทานานาพฤกกาเศรษฐีเนี่ทา น, านาฐานนี้ก็สร้างที่พักของพระเจ้าตามริมทางระหว่างเมืองกรุงราชะคืบแคว้นมคธไปยังกรุงสาวัตถีตลอดเส้นทางมีที่พักที่อาศัยอของพระเจ้ากับที่ประทับของพระเจ้ากับสาวกเป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็ได้สร้างบัตรผาชเชตววน โดยเอากาถาพระนะเอาเงินในสมัยนะั้นะปูเต็มในพื้นที่นะของเจ้าเชษ์นะเจ้าเชษ่นี่ให้ซื้อด้วยทองคําที่มาปูด้วยกาถาพนะที่มาปูด้วยแล้วก็ต้องชื่อตั้งชื่อวัดของเขาด้วยว่าเชตาวันมหาวิหารธนานาถาวิริการเศรษฐีนี่ไม่ได้ติดในชื่อในเสียงแต่อย่างใดต้องการพระเจ้ามาโปรดมอมบัพ นะท่านก็ได้บุนมากพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารถึง19ปีมากที่สุดที่พระองค์ได้ทรงจำพรรษาเพราะว่าในเมืองสาวัตถีนั้นมีท่านอนาถเป็นอากาศเศรษฐีกับนางวิสาขามหมาบสิกาเป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้ากับสาวกได้เป็นอย่างดียิ่งพวกเราเนี่ยก็เลยว่ามีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นลูกเป็นหลานของท่านอนาถเป็นอากาศเศรษฐีด้วยนางวิสาขาหมาบสิกา มาบ้างไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเพราะว่าท่านเกิดขึ้นมาพระาพุทธเจ้าแล้วนะทั้งสาพระองค์พุทธเจ้าของเราอีกเป็น4พระองค์ด้วยกันและเจ้าพระทาพุทธเจ้าทั้งพระองค์หน้าพระสิริยะเมตไตรก็จะเข้าสู่นิพพานเพญานั้น พ, พวกเรานี่เมื่อมีโอกาสแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธามีความเชื่อความเื่อมนิยแล้วก็ได้มาทําทานวันนี้ก็จะได้มาถวายเทียนกาวัดโดยเริ่มต้นมารวมกันวัดมาบจานท์นี้นะเป็นวัดแรก แล้วก็จะนํำขบวนกันไปถวายในวัดต่างๆนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูกับลูกหลานด้วยนะว่าในภรรษาก็มีประเพณีในาการถวายเทียนนะจำเข้าภรรษาแก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามวัดซึ่งปีนี้พระภิกษุส ม, มเด็ก็จำพรรษาวัดมากจันทร์ก็ประมาณ50รูปด้วยกันนางหรูปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาถวายเทียนครั้งนี้คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนา ในบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจมาถวายเทียนแต่การเดินทางมาถวายเทียนเนี่ยมันก็เป็นบุญนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราจะให้มีปัญญานะั้นเราก็จะต้องขอฟังธรรมะมีโอกาสเข้าไปแล้วทำบุญแล้วเราถวายแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและขณาดที่เราเดินทางไปใกล้ๆก็กาตามก็ให้ภาวนาตามอารมณ์กรรมฐานที่เราได้ฝึกมาแล้ว จะเป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ตามหรือกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเราจะระลึกผึงในคุณของพระเจ้าสมัยพระองค์เป็นบรมพลดิศเจ้ามีพระหมหาการนาทิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ตามเราก็ระลึกถึงคุณของท่านก่อนที่พระองค์จะได้ตดรัสรู้หรือพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มีพระหมหาการณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ก็ให้เราบริกรรมภาวนาเอาไว้ในดวงใจของเรานี้ให้มันสว่างสวัยไปด้วยเมื่อเรามีดวงใจที่สว่างสวัย ทานของเราก็บริสุทธิ์เมื่อเราทําบุญทําทานแล้วอริสง์ก็เกิดมากแต่บุคคลใดอทำถวายด้วยทรัพย์มากก็ทำแต่ว่าใจไม่บริสุทธิ์แล้วนะทรัพย์นั้นนะแม้มีมากอริสง์ก็น้อยถ้าทรัพย์ไม่บริสุทธิ์ด้วยใจไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ยิ่งน้อยเพราะไปโกงไปกินมาเนี่อย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าว่าเรา่ทํามาด้วยทรัพย์ที่เราบริสุทธิ์แล้วใจของเราบริสุทธิ์ขณะถวายใจของเราก็มีพิติ มีความสุขใจอิ่มใจทั้งก่อนถวายกำลังถวายหลังถวายแล้วอานิสงส์แห่งการถวายทานนั้นก็จะมีมากแก่พวกเราเมื่ออานิสงสมีมากนั้นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขทุกภพทุกชาติไปทีเดียวจนกว่ า, าว่านานเมื่อบารมีเราเต็มแล้วก็จะถึงนิพพานในชาติสุดท้ายก็ขออานิสงส์แห่งการถวายทานบำเพ็ญคุณงามความดีที่พวกเราได้ทำกันมาจนถึงวันนี้จนเป็นอานิสงส์เป็นพระบรับปัจจัยอานิสงส์ส่งให้พวกเรานั้น ต้งมีดวงตาเห็นธรรมถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบั ต, บติคือให้มีการเวียนว่ายแต่เกิดเฉพาอมนุษย์จากมนุษยเป็นเทวดาเทวด า, าเปลียนมนุษย์และถึงพร้อมด้วยสริริอายุวันสุขภาพพระปฏิภาณ น, นาซานสมบัติพร้อมกันทัวทุกท่านเทินจนถึงปฏิพานทุกทุกคนเนทินสาธุเราสร้างบุญกุศลเพื่อให้ใจของเรามันว่าง ใจเราว่างบริสุทธิ์ก็คือบอริสุทธิ์หนุดพ้นไปนะใจของเราที่มันวุ่นนะก็เกิดความวุ่นวายไม่สงบนี้ก็เพราะาโลภโกรดหลงเรามารวมกันจำนวนมากๆเดียววันนี้ไม่ต่ำกว่าพันคนนะนะแต่เราก็สงบเรียบร้อยใช่ไหมแม้ข้างนอกจะมากก็ตามนะแต่ว่าใจของเราเนี่ก็ไม่วุ่นวายนะต่างคนต่างมาด้วยความสงบ ย้าๆแจ่ ม, มจใสถึงจะมีฝนฟ้าตกมาตามฤดูกาลซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้นะตามฤดูกาลก็เลยว่าเริ่มต้นเข้าภรรษาเข้าภาษาก็คือวัสังหรือวัษ า, าก็คือฤดูฝนนั่นเองก็เป็นนิ ม, มิตนิมิตหมาย ด, ด, ด, ด, ด, ดีไปแล้วเข้าฤดูฝนฝนก็ตกตกต้องตามฤดูกาลอย่างนี้เป็นต้นนั้เมื่อเรามารวมกันประชุมกันแล้วก็เป็นพละพลังในเพิ่มนวามากขึ้น นำวัตหานหวานข้าวมานะทางคนต่างก็นำมาถวายเป็นส่วนกลางไว้เราจะได้ทานกันบุญกุศลที่เราได้ทำนะในส่วนมนุษย์ภาวนาสมถทานศีลฟังธรรมนี่นะก็เรียกว่าเป็นหนทางและเป็นมงคลของชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าตัดว่าทานนั้นจะนะการให้ทานก็เป็นมงคลทั้งทําบุญด้วยให้ทานเฉสระแกะ่คณะแสวงบุญด้วยนะก็เป็นทาน ตั้งลงทานกันมากมายต้อนรับไว้อยู่ที่วัดแก่งไหว้นั่นแหละเมื่อให้ทานแล้วทําบุญทำสมาธิฟังธรรมตามการก็เป็นบุญบุญส่ก็ขอให้เจริญเจริญทุกกานทุกทท่านเทิดขอเอาคำก ร, พระพาจย์ทองมาอ่านพวกเราฟังนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจว่าเราจะมีเป้าหมายว่าออกไปทําอะไรกันวันนี้นะครับท่านแต่งไว้ท่านบอกว่าโ ค, ครมคึกกลด ก, กล้องท้องฟ้าพ้าสุธาสั่นสะเทือนสะท้านไหว ด้วยอำนาจธรรมะพระจอมไตโรกธาทาหวั่นไหวทั่วเขตแดนรรมจักจหมุนทั่วโลกธาทาเพื่อประกาศสัจธรรมคำสอนธรรมะของพระชิ น, นวรดับความเร่าร้อนสงบเย็น